อนุสติฐานสูตรที่เก้าจบสิบมหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสกยะมหานามสิบสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแควนสักกะครั้งนั้นแลเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะ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 มหานามะอริยาสาวกผู้ได้บรรลุผลแล้วรู้ชัดศาสนาแล้วส่วนมากย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้คือหนึ่งอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์รัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณะ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 ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมปรารบตถาคดดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะอริยาสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบปลื้มอิงอัฏฐะย่อมได้ความปราบปลื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรม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 มหานามะสมัยใดอริยาสาวกระลึกถึงธรรมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นยอมม่อมปรารบธรรมดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะ อริยสา ว, วกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปลาบปลื้มอิงอัตตะย่อมได้ความปลาบปลื้มอิงธรรมย่อมได้ความปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมมีความปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นมหานามะตถาคตกล่าวว่า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 สมัยใดอริยาสาวกระลึกถึงพระสงฆ์สมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมปราศรพระสงฆ์ดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยาสาวกผู้มีจิตดาเนินไปตรงแล้ว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 ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงศีลสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมปรารบศีลดาเนินไปตรงทีเดียว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 ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมูสัตว์ผู้มีพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญจาคานุสติอยู่ 6. อริยสาวกเจริญเทวานุสติว่ามีเทวดาชั้นจตุมหาราชเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิต เทวดาชั้นนิมมานราดีเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตดีเทวดาชั้นพรหมกายเทวดาชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุดติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีศรัทธาเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใด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 แม้เราเองก็มีจากคะเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวลโลกนั้นแม้เราเองมีปัญญาเช่นนั้นมหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงศรัทธาศรลุสุตตะจากคะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้น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 ย่อมได้ความปราบรื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเมื่อมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นมหานามะตถาคตกล่าวว่าอริยส า, าวกนี้เป็นพูดถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์พูดถึงความไม่สงบ เป็นผู้ไม่มีพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญเทวตานุสติอยู่มหานามะอริยาสาวกผู้ได้บรรลุผลแล้วรู้ชัดศาสนาแล้วส่วนมากย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้มหานามะสูตรที่สิบจบ